แต่อย่างเดียวเพราะความโกรธแม้กิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หน้ามืดตามมวไปทั้งหมดเลยนะมองอะไรไม่เห็นซักอย่างไอ้กิเลสแบบนี้พระองค์ทรงละได้โดยเด็ดขาดหมดเลยเมื่อเทียบไปแล้วเนาะเราเศร้าโศกเสียใจพิไรรําพันความคับแค้นกายความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์เหล่านี้เลยเด่ดนะ พันพระองค์ละบาปประธรรมเหล่านี้ได้หมดแล้วเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดจากบาปประธรรมนั่นเองอีกในย่าหนึ่งนะอรหังก็คือพระองค์นี้ทรงเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเวนเนี่ยนะคนดีไม่ละเว้นพระองค์เนี่ยนะพระอริยะบุคคลทั้งหลายไม่ละเว้นพระองค์นั่นเองคือพระอรหันเนี่ยนะอรหันตะคีนาศก ผูหมดจดจากกิเลสแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งที่เป็นสุขวิปสกวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่เนืออาศิติมหาสาวกที่เป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่หรือว่าอัครสาวกอันพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ทอดทิ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยหรือพระเสขบุคคลทั้งหลายพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระโสดาบันก็ยังแบ่งเป็นพระโสดาบัน สตัตตกาตุงนะสตัตตกขตุงโกลังโกละเอกะพีชีอย่างเงี้ยหรือพระสกะทาคามีพระอนาคามีมีหลายประเภทพระอนาคามีทั้งหลายเหล่านั้นพระอริยะบุคคลเหล่านั้นไม่ทอดทิ้งพระองค์ไม่ละเว้นจากพระองค์เขาเหล่านั้นเป็นคนที่กราบไหว้ตามละลืกนึกถึงพระองค์ด้วยใจของเขาอยู่เสมอเขาห่างไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงรูปปัจกาย แต่ใจของเขาตามและลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่สะส่วนมากเยอะนะแล้วก็บุคคลผู้มีประโยค่อันบริสุทธิ์คําว่าประโยค่ก็คือการกระทําทางกายทางวาจาคนดีๆเนี่ยนะคนที่มีกายกรรมที่ดีมีวจีกรรมที่ดีหรือมีอัธยาศัยงามคนที่มีน้ําจิตน้ําใจที่งามคนมีคําพูดที่งามคนมีการกระทําที่งาม คนที่ถึงพร้อมด้วยคุณมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญามีความเพียรความพยายามคนมีคุณธรรมเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะไม่ละเว้นจากพระพุทธเจ้าเลยคิดดูนะของเราก็เหมือนกันนะถ้าตอนไหนใจเราดีดีมีศรัทธามีศีลมีสุตะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ลืมพระพุทธเจ้านะแต่เมื่อไรโทสะเกิดขึ้นมาลืมหมดเกล้ยงไงพระองค์มีคุณมากนะกิเลสเกิดขึ้นทําให้เราลืมพระองค์ได้ ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคนดีๆทั้งหลายจะไม่สละรอบซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงละเว้นไม่ทรงสละรอบซึ่งบุคคลเหล่านั้นพระองค์ไม่ทิ้งคนดีคนดีเข้าไม่ทิ้งพระองค์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยตามหล่อเลี้ยงเพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมะของพระองค์คนนั้นก็เท่ากับเห็นพระองค์เพราะ้นผู้ใดประพฤติธรรมที่พระองค์ทรงสอนธรรมะที่พระองค์ทรงสอนจะทรงจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติเหล่านั้น เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแนะนำก็ชื่อว่าพระองค์เนีตามปกปักรักษาอยู่ด้วยเนี่ยนะข้อที่เก้านี้มีความสำคัญ น, นะคนดีดีจิรชานคติที่ไปคือเดรชานมนุสคติที่ไปแสดงว่าขณะนั้นเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีจะบอกว่าไม่ดีก็เกณฑใจกิเลสมนันนะ่ะเนาะทีนี้ต่อไปนะว่าพระองค์ทรงพานามว่าอารหัน ความหมายนัยยะที่10บก็คือไม่มีการไปในภพทั้งหลายเนะก็การไปในสังสาระกล่าวคือความหมุนเวียนอยู่ในคติต่างๆไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าคตินี้เป็นเชือกที่ไปนั่นเองที่ไปคำว่าคติมีอยู่ห้าอย่างนะที่ไปคือหนึ่งนะต่ำสุดเลยนิรยคติที่ไปที่ไปแรกก็คือนรกสองที่ไปคือปิตคติเปรต เดรชาณคติที่ไปคือเดรชาณ์มนุษย์คติที่ไปคือมนุษย์แล้วก็เทวคติที่ไปคือสุคติโลกสวรรค์นับตั้งแต่จารุมดาวดึงเป็นต้นไปจนถึงพรหมโลกทั้งหมดเขาเรียกว่าเทวคติอันที่คติที่ไปทั้ง5้เนี่ยนะนรกหนึ่งสเปรต3เดรชาณ์สีมนุษย์หเทวดาทั้งหลายการไปในคติทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีแก่พระ อ, องค์เนี่ยนะเพราะพระ อ, องค์ พอจุติจิตดับปั๊บไม่มีปฏิสนธิในภพใดภพหนึ่งแม้แต่ภพเดียวเพราะพระองค์ได้ทรงทําลายกรร ม, มวัดพร้อมทั้งองค์ประกอบได้แล้วพระองค์ทรงทําลายกรรมได้แล้วเนี่ยนะกรรมที่เป็นเหตุเกิดในนรกกรรมที่เป็นเหตุเกิดในเปรตกรรมที่เป็นเหตุเกิดในเดรชานกรรมที่เป็นเหตุเกิดในมนุษย์กรรมที่เป็นเหตุเกิดในเทวดาต่างๆ ไม่มีอีกแล้วพระองค์ทําลายกรรมอันนั้นพร้อมทั้งองค์ประกอบองค์ประกอบที่ทําให้เป็นกรรมก็คือตันหาและอุปาทานพระองค์ทรงทาลายตันหาและอุปาทานได้โดยสิ้นเชิงหมดสิ้นแล้วพระองค์ก็เลยไม่มีการปฏิสนธิเกิดในภพใหม่อีกต่อไปด้วยประการทั้งปวงถามว่าพระองค์ละสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนละเมื่อไรก็ละใน ละที่ควงต้นทัศนีมหาโพนั่นเองนะที่ในวันวิสาขบูรรมีใช่ไหมถามว่าพระ อ, องค์ละด้วยอะไรก็คือละด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคนี้เกิดขึ้นไปแล้วก็ทําลายความสิ้นไปแห่งกรรมทําลายกรรมว่าไงเถอะเจริญกรรมเพื่อตัดกรรมเออดีนะเจริญอริยมรรคเพื่อตัดกรรมทั้งหมดกรรมไม่ว่าที่เป็นบุญกรรมไม่ว่าทั้งที่เป็นบาป กรรมไม่ว่าที่เป็นอเนชชากรรมทั้งหลายเหล่านั้นอริยมรรคเกิดขึ้นทำลายโดยสิ้นเชิงจะไม่ให้ผลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการไปเกิดไปปฏิสนธิในภพต่างๆไม่มีอีกแล้วสาหรับพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระองค์กระทาความสิ้นไปแห่งกรรมโดยสิ้นแล้ว ความหมายของคำว่าอารหังอีกนยัยหนึ่งก็คือเป็นผู้ควรแก่การสารเสริญควรแก่การยกย่องเห็นไหมสารเสิญคือการชมนั่นเองอะนะแต่หากว่าคนในโลกนี้ที่ว่าคนดีๆคนนั้นน่ายกย่องน่าสารเสิญควรแก่การชื่นชมเสียเหลือเกินคนที่ควรแก่การยกย่องสารเสิญควรแก่การชื่นชม เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงบรรลุแล้วด้วยพระคุณตามความเป็นจริงเนี่ยนะแล้วก็พระคุณของพระองค์ก็ไม่ได้สาธารณแก่ผู้อื่นเนี่ยนะพระองค์นี้ทรงปฏิสถานตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วในโลกเพราะเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่เปรียบเทียบได้ผู้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ สูงสุดประชายเปรียบเทียบได้ด้วยศีลละคุณเนี่ยนะคุณเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สาธารณะแก่คนทั่วไปนะศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทั่วไปกับศัตว์ทั้งหลายเพราะว่าพระองค์นี้มีศีลที่สูงสุดจริงๆมีสมาธิมีปัญญามีมวิมุตที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยเนี่ยนะเอาเทวดาทั้งหมดมาเปรียบเทียบด้วยคุณทั้งหลายก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ เอาพระอริยะบุคคลในชั้นต่างๆมาเปรียบเทียบกับพระองค์นั้นไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยพระพุทธเจ้าเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ไม่เปรียบเทียบได้ผู้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงสุดประเสริฐสูงสุดอย่างนั้นแหละเนไหมเพะฉะนนไม่มีใครที่สามารถกล่าวถ้าคนทั้งหลายเหล่านี้ให้จบลงได้ด้วยอํานาจแห่งศีล ด้วยอํานาจแห่งสมาธิด้วยอํานาจแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นใครที่สามารถชมพระพุทธเจ้าได้มากคนนั้นต้องเรียนพระไตรปิฎกมากแล้วจะสามารถชื่นชมอนุโมทนาพระพุทธเจ้าอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจะชมพระมหากรุณาของพระองค์เนี่ยนะต้องยกพระวินัยทั้งหมดมากล่าวชื่นชมโอ้โหพระองค์นี้มีพระมหากรุณาต่อสัตว์จริงๆหนอกล่าวบัญญัติพระวินยัย แสดงพระวินัยโดยประการต่างๆก็ด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์ศัตว์ทั้งหลายนั่นเองหรือถ้าหากว่าจะกล่าวชื่นชมยกย่องสมาธิความสงบตั้งมั่นของพระองค์ก็ต้องเอาพระสูตรทั้งหมดในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระสูตรทั้งหมดเลยมาสรรเสริญคุณของพระองค์เพราะว่าพระสูตรเนี่มากไปด้วยสมาธิฉนั้นพระองค์นี้ถ้าเราจะทราบซึ่งในสมาธิของพระองค์ก็เอาพระสูตรต่างๆมาพารนามาสรรเสริญ หรือพระองค์นี่เป็นผู้ที่มากไปด้วยปัญญาคนที่จะพัลนาอธิบายแยกแยะสภาวะธรรมได้ด้วยปัญญาก็ต้องเอาอภิธรรมปีดกมาพัลนามมายกย่องมาสารเสริญพราะฉะนั้นพระองค์นั้นมีพระคุณมากมายจริงๆเนี่ยนะโอถ้าใครอยากจะชื่นชมสารเสิร์นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ยากนะอ่านพระไตรปิฎกมากๆแล้วก็จะรู้ว่าเออหน้ายกย่องหนาสารเสริญจริงๆเนี่ยนะพระองค์ นี่เขาเรียกว่าความหมายของคำว่าอารหันทั้ง11ความหมายอันเวลาเราสวดมนต์อรหังนึกเลยนะ11ความหมายห น, หนึ่งอะไรนะ1ไกลจากกิเลส2กงกจัดค่าศึกคือกิเลส3ทรงหัก4ีกรรมแห่งสังสาระจักร4เป็นผู้ควรแ ก, ก่เครื่องสการะบูชา5ไม่มีควะ ไม่มีความลับในการกระทำบาป 6. ไกลจากคนชั่วทั้งหลาย 7. ใกล้แต่คนดีทั้งหลาย 8. ทรงละบาปประทำได้หมดสิ้นเชิง 9. ผู้รู้ทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายไม่ละเว้นจากพระองค์และพระองค์ก็ไม่ละเว้นจากคนดีผู้รู้บัณฑิตทั้งหลายนั่นเองข้อ10พระองค์ก็ไม่มีการไปในพบใดๆทั้งนั้น นะพบใดคติใดที่เป็นให้ปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีแก่พระองค์แล้วก็สิบเอ็ดเป็นผู้ควรแก่รีปุตตะนิเทศเนี่ยนะก็พารณาคุณของพระพุทธเจ้าพอสมควรบางนแต่การมาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะต้องดูในอย่างทีขนณการเช่นสัมปัสสธนิยสูตรสูตรที่ภาษารีบุตรกล่าวยกย่องสรรเสริญคุณของพระองค์หรือว่าใน มหาสีห a n สูตรเนี่ยนะที่ในมัชฌิมนิกายที่กล่าวถึงคุณของพระ อ, องค์ที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญหรือว่าถ้าจะหากว่าจะดูในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามมัช ก, ก็กล่าวถึงพระญาณต่างๆของพระ อ, องค์เนี่ยนะหรือหากว่าจะดูในคัมภีร์นิเทศที่ภาษารีบุตนะในสารีปุตตะนิเทศเนี่ยนะก็พรณนาคุณของพระพุทธเจ้าพอสมควร บางงานแต่นับว่ามากแต่ว่าจะให้พาลานาได้ถูกต้องครบถ้วนจริงๆก็ต้องหยิบยกพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละมาที่บายคุณของพระองค์ทีนี้ในพระคุณต่อไปของพระพุทธเจ้านั้นคําว่าสัมมาสัมพุทโธทอททนี้แปลว่าทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบคําว่าโดยชอบนี่เป็นยังไง ตรัสรู้ตามชอบใจหรือเปล่าเรียกว่าโดยชอบมาฮะกลายอย่างนั้นหรือเปล่าตรัสรู้โดยชอบก็คือตรัสรู้ตามใจชอบอย่างไง้รู้ป่ะอ๋อคำว่าชอบนี้เขาบอกว่าโดยถูกต้องนั่นเองไม่ผิดไม่เพี้ยนอะ่ะไม่ใช่ว่าชอบใจอะไรอยากจะรู้อะไรก็รู้อันนั้นไม่ใช่แค่นั้นหรอกคําว่าโดยชอบก็คือโดยถูกต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่พลาดปังมนั้นเถอะเป๊ะแม่นยํา ม, มาณนั้นเหมือนจับวางอ่ะถ้าคนมือสั่นก็วางไม่ถูกเห่างนันนะเชื่อ กระร้อยเข็มก็ยังร้อยไม่เคยจะถูกเลยนะแต่ว่าพราะองค์นี้แม่นยําและการตรัสรู้ธรรมะทั้งบวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองด้วยนะไม่มีคนอื่นแนะนําว่ากล่าวซากอย่างเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยถูกต้องเองางั้นของเราจะเอามั่งได้ไหมจะไปเรียนแบบมั่งหรือยากบรรลุถูกต้องโดยตัวเองมั่งเอาว่าได้ไ่มไม่ได้หรอกถามว่าทําไมจึงไม่ได้ บารมีมันต่างกาันของเราเพิ่งอยากจะมาถูกต้องวันนี้มันจะไปบรรลุได้อย่างไรของพระองค์อยากพระองค์นี้ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะบรรลุโดยชอบโดยถูกต้องด้วยตัวเองเนี่ยตั้งความปรารถนามาเนี่ยนะคิดในใจอย่างเดียวนี่นะคิดในใจอย่างเดียวเจ็ดอสงไขททำบุญแล้วเปล่งวาจาอีกเก้าอสงไข ได้รับพุทธบัญญัตมาอีกสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับสรุปเบ็ดเสร็จยี่สิบอสงไขยแสนกับจึงบรรลุได้ถูกต้องโดยชอบและด้วยพระองค์เองของเราเพิ่งมานึกปั๊บบรรลุปุ๊บเลยแหม่ยังง่ายไปมั้งเนาะไม่มีอะไรง่ายแล้วในโลกนี้เว้นแต่มักแล้วก็ง่ายในง่ายไรง่ายที่สุดและแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องไม่ง่ายทราบย่าง แม้แต่การให้ทานก็ไม่ง่ายนะทานที่ที่ที่มีผลมากเมียในสงมากการทําทานที่ถูกต้องนับว่าไม่ง่ายเพราะว่าพราะองค์ตรัสแสดงว่าการให้กับการรบเนี่ยเสมอๆกันพอๆกันนั่นแหละจิตที่คิดจะให้มันยากอย่างนั้นแหละศีลก็ไม่ใช่ของง่ายนะจะตัวปาริสุทิศศีลเนี่ยยากไปกว่าศีล น, นั่นอีกเนะีะคนที่จะเจริญฌานได้ชานยากไปกว่าอีกศีลปณิพานก็ยากศีนอาชีวะปาริสุทธิศ อ า, อาชีวปาริสุทธิศีลเนี่ยนะศีลทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นของที่รักษาง่ายๆถ้าบุคคลไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีความเพียรพยายามเขาไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะปาฏิโมกข์สำเร็จด้วยศรัทธายินทรีย์สังวรสําเร็จด้วยสติปัจยสันนิสิตาศีลสําเร็จด้วยปัญญาอาชีวปาริสุทธิ์ศีลสําเร็จด้วยความเพียรถ้าหากว่าเขาขาดธรรมะขาดกุศลธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ย เขาจะบรรลุถึงศีลไม่ได้ศีลก็รักษายากสมถะก็ยากไปกว่าศีลนั่นอีกเนะคนที่จะเจริญชานได้ชานยากไปกว่าอีกมรรคผลนิพพานก็ยากเข้าไปอีกนนะสะรุปแล้วในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรง่ายนะถ้าเรื่องดีๆนะแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยทําไม่น่ายากเท่าไรนะแต่เขาบอกว่าคนชั่วทําช่วงง่ายทําดียากคนดีก็ทําดีง่ายทําชั่วยากอีกนั่นแหละ คำว่าตรัสรู้โดยโดยชอบนะซึ่งธรรมะทั้งปวงด้วยพระองค์เองคือตรัสรู้อะไรคือตรัสรู้อภินญญยธรรมหนึ่งตรัสรู้ปริญญาธรรมตรัสรู้ปหาตปธรมรมตรัสรู้สัจจิกาตปธรรมแล้วก็ตรัสรู้พาเวตปธรรมก็คือตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอภินญญะคำว่าอภิญญญะก็คือธรรมะที่พึงรู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งนะต้องรู้ด้วยปัญญาอย่างยิ่งว่างั้นเถอะ คำว่าอภินยยะนี่นะทมที่รู้ด้วยยานอันวิเศษยิ่งเป็นชื่อของวิชาและวิมุตต์วิชาก็เป็นชื่อของอริยมรรควิมุตต์เป็นชื่อของผลหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นคำว่าอภินยยะก็เป็นชื่อของอริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่อย่างธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอภินญ ย, ยะเนี่ยโดยศัพแปลว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งมรรคม หรืออริยสัจสี่ 4, เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งควรรู้แจ้งจริ ง, งธรรมะที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองก็คือตรัสรู้ธรรมะ ท, ทั้งหลายที่เป็นปริญญาณะปริญญาธรรมธรรมะที่พึงรอบรู้ส่วนใหญ่เขาแปลว่ากำหนดรู้นี่นะธรรมะที่ควรรอบรู้ได้แก่ปริญญา สิ่งที่ควรปริญญารอบรู้นั้นได้แก่ทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะทุกขาริยสัตว์ทั้งหมดพระองค์นี่ทรงรอบรู้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงทุกขาริยสัตว์ได้แก่อะไรนะองค์ทำได้แก่อุปาทานขันห้านะทุกขาริยสัตว์นั้นก็คืออุปาทานขันห้าขันทั้งห้านั่นแหละเรียกว่าทุกขาริยสัตว์ขันห้าอะระมาก็ขันห้า แต่ละคนที่มาก็ขันห้ามดตัวหนึ่งก็ขันห้าปลวกตัวก็ขันห้าหมูตัวก็ขันห้าเขาบอกว่าในปัญจโวการพบเป็นชื่อของสัตว์ที่มีขันห้าเทวดาก็มีขันห้าพรมก็มีขันห้าอสัญญาัตตาพรมมีขันเดียวอรูปพรมมีขันสี่พวกนี้ทั้งหมดเป็นทุกขาริยศัตร์ทั้งนั้นแหละพระองค์กําหนดรอบรู้หมดเกลี่ยงในทุกขาริยศัสตร์เหล่านี้ไม่มีทุกขาริยศัสตร์ไหนที่พระองค์ไม่ได้ กำหนดรู้พ่อองค์กำหนดรู้หมดเกลี้ยงด้วยปริญญาด้วยความรอบรู้นะด้วยปริญญาสามนะปริญญาสามก็คือยาตะปริญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้อยู่แล้วตีระนะปริญญารอบรู้ได้ด้วยการคร้ควรวนการพิจารณาแล้วก็ได้มากที่สุดพ่อแม่มีโลภะโทการละ้วยการละ <c oughs> คำว่าปริญญานี่แปลว่ารอบรู้เนาะ คุณของพระพุทธเจ้านี้ศึกษาง่ายไหมโอ้แท้ศึกษายากนะแล้วก็นับถือพระองค์เนี่ยนับถือถูกนะถ้าหากว่าเราศึกษาคุณของพระองค์ไม่ไม่มากพอนะเรานับถือพระองค์ก็นับถือไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะนั้นถ้าเรารู้จักพระองค์อย่างดีเพียงพอแล้วเราก็สามารถที่จะนับถือพระองค์ได้อย่างถูกต้องในโลกนี้นะ